พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมพระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมากไม่อาจแสดงได้ครบทุกไนยะจึงขอเลือกแสดงตามแนวพระคุณสามคือหนึ่งพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอนขอยกมาแสดงสองอย่างคือทศพลละยานและปฏิสัมพิธา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 คือมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนรพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีทศพลายานข้อที่สสัพพัทธาคามินีปฏิปทายานปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงคือสู่สุขคติทุกคติหรือพ้นจากคติหรือปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติ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 สพลายานข้อที่สนานาธาตุยานปรีชาอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตาุต่างๆเป็นเอเนกรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินนักการสังขารและอนุปาทินนกการสังขารเช่นในเรื่องชีวิตก็ทราบองค์ประกอบต่างๆสภาวะขององค์ประกอบเหล่านั้นพร้อมทั้งหน้าที่ของมันเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของขัน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 และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันทีทศพลยานข้อที่10อาสวะขยายานปรีชาอย่างรู้ความสึ่ไปแห่งอาสวะทั้งหลายความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งและแน่ใจว่าผลสำเร็จที่เป็นจุดหมายนั้นคืออะไรเป็นอย่างไร และตนเองสามารถกระทาผลสมฤทธินั้นให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยพระปัญญาคุณข้อที่สองปฏิสัมพิธาปฏิสัมพิธาคือปัญญาแตกฉานในด้านต่างๆซึ่งมีทั่วไปแก่พระมหาสาวกทั้งหลายด้วยดังนี้ 1. อัตถาปฏิสัมพิธา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 นิรุตติปฏิสัมพิธาความรู้แตกฉานในภาษารู้ภาษาต่างๆและรู้จักใช้ถ้อยคำชี้แจงแสดงอัดและรมให้คนอื่นเข้าใจและเห็นตามได้แปลสั้นๆว่าปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิธาความมีไหวพริบสามารถเข้าใจ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 คือปัญญาแตกช้าในอัตในธรรมในนิรุปติและในปฏิพัน์